125จากพระไตรปิฎกทิศที่กิก็เรื่องโลกเรื่องอัตตาอย่าขายแต่ฝันกันนักเลยเข้าหาความจริงกันเสียบ้างทำทิฏฐิกันให้สัมมาทิฏฐิกันให้ได้นรกจะได้เพลาลงบ้างเมื่อทิฏฐิแรกไม่สั ม, มาทิฏฐิคนจึงอวิชชากลายเป็นศาสนา ที่หลงความเที่ยงแท้กันอยู่กับการอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้ผู้ตายบ้างหลงเที่ยงแท้อยู่กับโลกวัฏถุนิยมทุนนิยมบ้างอัตตาเที่ยงไปกับพระเจ้านิรันดรบ้างอัตตาและโลกไม่มีอะไรเที่ยงบ้างเป็นต้นก็ล้วนแต่เรื่องของอัตตาและเรื่องของโลกทั้งนั้น พวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตปุพันตะกับปิกาติพวกนี้มีส8ปดทิฏฐิได้แก่หนึ่งเห็นว่าอาตาและโลกเที่ยงแทนนิรันดรสัตตะทิฏฐิ 4. สี่เห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจึงบัญญัติอาตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเอกัตฉะสัตติกติทิ่สี 3. เห็นว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดไม่ได้อันตานันติกาทิ่ิีสีเห็นว่าดิ้นได้ไม่ตายตัวอมราวิกะเคปิกาทิ่สิสีเห็นว่าอัตมาและโลกเกิดขึ้นลอย อธิจจสมุ ป, ปันนิกาทิธิสองนี่คือพวกที่หลงอยู่ในภาวะอดีตมี18ทิฏฐิส่วนพวกที่หลงอยู่ในอนาคตนั้นมีถึง44ทิฏฐิทีเดียวได้แก่พวกที่เห็นว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาด้วยเหตุ16ประการสัญญีทิฏฐิ16 พวกที่เห็นว่าอาัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุ8ประการอสัญญีทิ่ิ8พวกที่เห็นว่าอาัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ด้วยเหตุ8ปประการเนวสัญญีนาสัญญาี่ทิ่แ8ด พวกที่เห็นว่าขาดศูนย์ด้วยเหตุ7ประการอุดเขตที่ที่เพวกที่หลงอยู่ในภาวะอนาคตถึง44ที่ตีนี้เองซึ่งในความเป็นอนาคตยังมีหลงปัจจุบัน5ซ้อนอยู่ในอนาคตด้วยอดีต18กับอนาคต39และปัจจุบันที่อยู่ในอนาคตอีก5 ก็รวมเป็น62มิบสองมิจฉาทิจ ท, ท, ทั้งหลายก็มีทั้งหมดทั้งสิ้น62เท่านี้เองที่ถือว่าอยู่ในอดีตกับอนาคตรวมทั้งปัจจุบันด้วยเป็นพวกอยู่กับฝันทั้งสิ้นไม่มีวันมีความจริงเลยดังนั้นสรุปได้ในขั้นต้นนี้ว่าพวกปฏิบัติสมาธิแบบหลับตาปฏิบัติ ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสภายนอกเลยไม่มีการมาวาจรญภูมิห้าภายนอกจึงคือคนปิดประตูบรรลุความจริงก็หมดสิทธิ์บรรลุธรรมของพุทธตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่ิบสนี้เด็ดขาด โดยเฉพาะจากพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ51ไปถึง90ชัดเจนที่สุดเพราะเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เขาอยู่แต่ในฝันและฝันว่าจะได้นิพานนี้มีแต่ปัจจุบันที่ไม่มีผัสสะเขาจึงมีแต่อยู่ในโลกฝันและอัตตาเต็มบ้อง มีแต่มโนโมยายอัตตาคืออัตตาที่สำเร็จด้วยจิตที่มีแต่ตนเองโลกก็มีแต่ฝัน